เดือนเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบเนะตั้งใจฟังกันฟังธรรมะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาและพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามควมเป็นจริงที่ค่นว่าคุนสอนนั้นคนเราวันนี้ต้องพูดเรื่องผมกลัว พราพวกเรามาเป็นคนมักปกัวไม่ว่าแต่คนนั้นคนนี้หลวงพ่อเองก็เป็นคนมักปกัวแต่ก่อนต้องหาเรียนมนเรียนคาถาขังขังให้ศักดิ์สิทธิ์เขาใจอย่างนั้นแสดงว่าเรายังไม่รู้ของจริงถ้าหากคนใดรู้ของจริงแล้วจะไม่มีขังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหมดเลยแต่คนใดแสดงว่ารู้จริงธรรมะ แค่ยังถือเครื่องรางของขังอยู่นั้นยังไม่กินรู้จาํามายังไม่รู้แจ้งยังไม่รู้จรินถ้ารู้แจ้งรู้จริงแล้วบ่มีของ ข, องของังบ่มีสักฟิดทั้งหมดเลยเพราะไม่กลัวอย่างทั้งหมดแล้วคาว่าไม่กลัวอย่างนี่ก็เข้าใจว่าไม่กลัวอะไรทั้งหมดว่าะบอกให้หลวงพองรู้จักถ้าหากว่าบ่เข้าใจก็ต้องบอกว่าบ่เข้าใจถ้าเข้าใจก็ต้องบอกว่าเข้าใจเพราะว่า หลวงพ่อเป็นคนเมืองเลย <c oughs> ถ้าพูดธรรมะจริงๆแล้วหลวงพ่อต้องพูดภาษาบ้านหลวงพ่อถ้าพูดเป็นภาษากลางดัดเสียงดัดนิสัยนั้นมันลงหรือบางทีก็คิดบอออกบอลจีวอลเลยดังนั้นคนถ้าลู่จริงไม่ต้องกลัวเกิดมาแล้วต้องตายทุกคนตายโบมียกเวน้นผู้ยิงเกิดมาผู้หนึ่งก็ตายผู้หนึ่งเกิดมาสองคนก็ตายสองคน บ่เฉพาะแต่คนไทยนะคนอินเดียก็ตายเป็นบนพระพุทธเจ้าเกิดตักสรูมแม่ที่สุดพระพุทธเจ้านั้นก็ตายเป็นคือกันจเจ้าบอต้องกลัวสิ่งนั้นแล้วถ้าหากคนฟังแล้วก็ต้องพิจารณาเอาไปใส้ตามที่เพิ่นมายนั้นมาไม่มีอันไดที่แก่กศักดิ์สิทธิ์ขังได้บ่มีเพื่อนมายังสั่นพระพุทธเจ้าว่านั่นแปลว่า พวกเขามาเจริญนิพพานาต้องเจริญให้เกิดปัญญาบทต้องกลัวคนนี้เนี่ยพอเคยเห็นกลัวตายแต่ไม่กลัวเกิดเห็นกระดูกคนตายก็กลัวกระดูกผีเขาจะเอื้องกระดูกผีบาทลูกงวลูกคยุยลูกปลาโบกกลัวนี่เป็นอยางนั้นและบัดนี้คันทาตายกับอะไรอวรนคิดถึงถ้าหากเป็นพอเป็นแม่ เม่ลูกเม่นหลานหรือเม่นลูกเม่นผัวเม่สามีภรรยาก็ได้นะมาอย่างสิกกระไดตายเราคิดถึงกันแล้วมันมันเข้าใจผิดนะมันเป็นธรรมดาแล้วพ่อเขาก็ตายคือกันพ่อคนอื่นน่ากระตายแม่คนอื่นก็ะตายลูกคนอื่นก็ตายแม่สามีภรรยาคนอื่นก็ตายแล้วก็คิดคิดถึงเราบนางพ่อเราก็ตายเป็นแม่เราก็ตายเป็นลูกเราก็ตายเป็นผัวเราก็ตายเป็นแม่ที่สุดตัวเองก็ต้องตายเป็น เมื่อคิดอย่างนี้ก็เลิกข่มขู่หลวเนี่ยพอเนี่ยพอเข้าใจอย่างเต็เนี่ยพอจึงบกัวพี่บกัวเทวดาบกลัวยังแม้กระดูกคนตายเนี่ยพอก็บกลัวบาดดุกงัวดูกควยแบเนี่ยดูกหมูดูกไก่เนี่ยเอามาให้ต้มแล้วก็กินบาดดูกคนเห็นเราก็กลัวเราบ่เดียวเนี่ยมันเข้าใจอย่างเต็มมันก็เป็นดูกคือกันทุกดูกทีเดียวดูกงัวดูกควยดูกคนดุกปลาดูกเนี่ก็เป็นดูกเมด ให้ซื้อว่ามันเป็นแข็งหรือมันลูกเห่าเนีย่ยถ้าบบมีกระดูกกับโมีส่วนแข็งสัตว์ทุกประเภทมีดุกเท่า น, น, นั้นจือบบโกลัวอย่างพอแล้วคนส่วนมากกลัวอันนั้นถ้าหากคุมกลัวโยงทั้งกระถือว่าอยังบรรลุของจริงพเพราะรู้จำมาซื่ออันรู้จำในพันว่ามันจำมาจากตำรับตําลาเพราะอย่างว่าญาติเสื้อถือถึงโดยเขาพูดตามกันมาเป็นว่าญาติเสื้อถือ โดยเขาเล่าเลือกันมาญาติเสื้อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราญาติเสื้อถือที่ครูบาอาจารย์ว่าลายข้อนะสิบข้อหนังสือกลธรรมสูตรพ่นบอกไว้ดังนั้นพวกเรามาเจริญนิัพสนาก็ตามมาเจริญสติก็ตามมาทำความรู้สึกตัวก็ตามมันเป็นคำพูดฝังแล้วต้องใส่สติใส่ปัญญาพิจารณาให้เห็นแจ้ง รู้จริงตามขวมเป็นจริงนั้นเขาก็เลิกละได้สิ่งเหล่านั้นเพราอมาการกลัวนั่นน่ะมันทําให้เราทุกข์ขวมทุกข์เกิดขึ้นเพราะเรากลัวกลัวหลายอย่างนะกลัวทุกข์กลัวไปตกนรกกลัวไปยังสน่ห์แล้วเราโบเคยเห็นจากเธอแล้วทุกคนเกิดมาต้องเป็นอย่างนั้นตัวหลวงพ่อเองอันนี้วานี่หลวงพ่อเคยกลัวอย่างสน่ห์แต่คนอื่นนั้น คิดว่าคงจะคือกันจึงว่าธรรมะแท้คือซึ่งเดียวกันคือกันเมื่เป็นยังสั้นทุกสาตร์ทุกภาษาทุกเพศทุกวัยเนี่ยพอเห็นมาแล้วเรื่องมูนี้ดังนั้นการศึกษาหลักพระพุทธศาสนานั้นสอนให้รู้จริงให้เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงมันเป็นจริงสัน้นจึงบวก่วงกลัววันนี้คนกลัวทุกบ น, นุญก็ต้องไปเข้าโรงเรียน เข้าโรงเรียนหนังสือมากๆสอบไลาได้ปริญาตีปริญาโทรปริยาเอกเพื่อกันทุกข์กลัวทุกข์นั่นเองและบันี้ทุกเกิดขึ้นหรือบุรูษจักบุรูษสึกตัวหรือบนันี้คนหาเงินเดือนก็นคือกันเงินเดือนร้อยพันมื่นก็ตามสร้างเพื่อกันทุกข์กลัวทุกข์นั่นเองจริงว่าเราไม่รู้จักให้เข้าใจว่าเราเรียนหนังสือเรียนเพื่อหน้าที่ของเราเรียนเข้าใจอย่างืีอ บอกคิดว่าจะเห็นอย่างเรียนเพื่อหน้าที่เพราะทุกคนเกิดมันก็ต้องเรียนบันนี้การหาเงินหาทองก็เช่นเดียวกันหาเพื่อหน้าที่เพราะคนมันต้องมีการหาการทํามาหากินเลี้ยงซีบเป็นว่าทุกคนต้องรู้อย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้คนกลัวสิ่งที่มันอยู่ในตัวเห่านี้คันถ้ากลัวบม่ต้องกลัวข้างนอกกลัวความคิดนี่เองความคิดนี่ น้ำหนัก20 30, 30กิโลเลือด50 60, 60กิโลก็ตามน้ำหนักของคุณมันเอาไปได้มันยกไปได้สบายยกตัวเฮานี้ไปได้สบายผู้ใดหากว่าเห็นความคิดตัวเองความคิดตัวเองเขาหลอกหลอกเขาให้กลัวหลอกเขาให้ทำอย่างนั้นหลอกเขาให้ทําอย่างนี้นมันหลอกเขาเว่าถ้ากลัวต้องกลัวภายในเฮานี้เลยเอาสะนภาภายในเฮานี้เมื่อเฮาเอาศนะ ความคิดที่มันปรุงแต่งภายในนี้แล้วความกลัวก็หมดความสงสัยลังเลใจกลางวลนก็หมดและความเศร้ามองซึมซึมเศรา้าหดหูน่นี่ก็หมดเหมือนกันถ้าเราเห็นความคิดเราจริงๆแล้วดังนั้นมาเจริญวิปัสสนาเจริญกรรมฐ า, านก็ตาม มาทําความเคลื่อนไหว เ, เพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้แจ้งรู้จริงฝึกหัดให้มีสติว่องไว้ให้มีจิตพ้องใสคือว่าจิตใจเขาเนี่ยพ้องใสนึกคิดอันใดก็เห็นก็รู้การทําการทํางานพูดคิดเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วการงานนั่นก็ไม่ค้างมือได้ต้องลุกลวงไปได้หรือแล้วไปได้คนที่ทําการทํางาน ข้างมือเอาไว้งานบบแล้วมันคุกก์ก็เพราะบบเหตุจิตบบเหตุจใจนี่เองเมื่อจิตใจเศร้าหมองโงกงวงหดหูสันบ้านหลวงพ่ว่าหดหูสันทางนี้ขาเจ้าสอนว่ายาสุว่าหดหูห น, นะหพอหดหูสันขาเจ้าบ่บอกให้นะพ่อกระจำแต่อันนี้เป็นขบจำที่สืดดังนั้นคนเราต้องมีสัต ญ, ญาเกิดมาจากธรรมศาสตร์เันจริงๆ เมื่อเรามีสัญญาเกิดมาจากธรรมชาติจริงๆแล้วสิ่งนั้นเนี่ยเราจะรู้แจ้งเห็นจริงตามควอมเป็นจริงทันว่าการโพูดธรรมะมือนีนคลายคๆคืองายของที่ข่วมหน้าอยู่เนี่ยนะของที่ปิดเกียวมันอัดแน่นอยู่คล้ายๆคือเขาหมายออกมาบางทีแหละบ้านหนวงพ่อเคยคือผีพี่มาเหตุสักหลักคุณกับ ะ, นะัจวันผีบ้านผี่เมืองอนั่น ผีตาปูพี่หลายผีบ้านหนวงพอ่อข้าเจ้าฆ่าคุยให้กินฆ่าเลี้ยงผี่ฆ่าหมูฆ่าคุยให้กินคันถ้ามันเป็นโรคไอหีวาเพันวักเอินพี่ฮาไปล้อมหัวแล้วพี่ไปกันให้เอาแต่ผีกันผีฮาเนี่ยโบให้เข้ามากระเฮ็ดนําเพิ่นเนี่ยพอเฮียนมนรักษากันพี่กระเฮ็ดน้เพิ่นก็ได้เดียนนาเพิ่นอันนั้นแสดงว่าเจ้าของบูฮุจัก เพชรนำคนที่ซื้อพี่มันดีจังไยของหุ่นจักโหลดฝั่งหลวงพอวานี่คิดพิ่จะหนาให้เหตุแจ้งรู้จริงพี่บ้านพี่เมืองพี่มาเหรศักดิ์หลักคุณพีอย่างกระซ่างเนาะเขาปลุกตุบปลุกสารเขาผมให้อยู่บ้านหลวงพ่อโบได้ไสอิฐที่ดินปูนสีใส่ไม้ฝั่งให้เป็นสาเอาหญ้ามามุงแล้วเอาไม้ไปแอ้มปวกขึ้นไปกัดไปกินมันกรโ บ, บราณได้พีหญ้า ก, กัดเมื่ ฝนตกกะหัวกะโบยด์โบยาไม่หยังในบริเวณบ้า น, น, นก็หกง้ากับโป่งขึ้นมาใบไม้กับขุดลงหันกะโบปัดโบกวดเปนหยังนี่สแสดงว่าผีเนี่ยโบมีประโยชน์อย่างเท่าเดิมเฮายานเอาซื้ อ, อนี่ผีที่อยู่ภายในจิตใจเฮานั้นเนื้อโบเข้าจักฉะนั้นคนจิตใจต่ำก็เอิญเรียกว่าผีคนนู้นจิตใจสูงคนเอิญเรียกเทวดาคนนู้า ดังนั้นจิตใจตัําเป็นผีถ้าหากผู้ใดยังจิตใจตั้าก็แสดงว่าตัวเองยังเป็นผีอยู่เป็นว่าอย่างนั้นถ้าหากใจใจสูงเมื่อใดแล้วตัวเองก็เป็นเทวดาแล้วละอายการให้การทําสิ่งนั้นเป็นว่าอย่างนั้นดังนั้นผีบ้านกาให้รู้จักว่าผีบ้านผีประจําบ้านนั่นน่ะกับพ่อแม่เขานั้นแหละเป็นผีทําไม่ดีพูดไม่ดีกับผีประจําบ้านเป็นว่า ทำดีพูดดีเพิ่นเอิญ่ะพีประจําเออเพิ่นเอิญเทวดาประจําบ้านเพิ่นวายนะสันหลวงพ่อโบเคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเจริญเพิ่นวาวิปัสสนาก็ไดแล้วเพราะว่าซื่อพเพิ่นวายวิปนะัสสนาวิปัสสนาเกิดขึ้นเขาต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงรู้แล้วตั้งเก้าล่วงภาวะเดิมเพิ่นวาหลวงพ่อก็เลยรู้จังสันก็เลยตั้งแท้ๆเลิกละได้แท้ๆหลวงพ่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งเสดติดมืนเมาทุกประเภท มันจิตใจต่ําเลยเลิกได้ให้เป็นจิตใจสูงเป็นเทวดาอยู่บ้านอยู่เหงินได้เป็นวันนั้นคันพี่ประจําบ้านเหรอนะบนไม่ประจําเงินได้แบบนี้พี่ประจําบ้านให้ว่าผู้ใหญ่บ้านก็นได้ผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นขี่ถ้าหากทําซัวพูดซัวคิดซัวมันเดือดร้อนราศดรเดือดร้อนถ้าหากทําดีพูดดีแล้วผู้ใหญ่บ้านก็นเป็นเทวดาได้คือกันเข้าใจง่าย เจา้าผีบ้านน่ะพี่เมืองอว่านี่ผีอำเภอพีไม่เหตุสักเราผียังกระทำสร้างนะ่ะให้ว่าคนนั่นแหละเป็นผี่ผู้คุมของป้องกันเท่านั้นแหละเดือดร้อนนําความสับส น, นวุ่นวายมาให้เขาให้เข้าใจว่าเป็นผี่แล้วเขาก็ยุ่นําพี่แล้วบัด น, นี้เมื่อหากผู้ปกครองคุ้มของป้องกันเขาทําเต็ดีพูดเต็ดีคิดเต็ดี เขาก็สบายอยู่กับเทวดาแลยเพราะเทวดาคุ้มของป้องกันเขาเอาไว้ทำซั ว, วพู้ซัวในเผอินว่าผีทำดีพูดดีไในเผอิญในเทวดาไว้ตอนนดังนั้นให้พวกเรารู้จักว่าพี่อันเป็นตนเป็นโ ต, น, ต, น, ตนี่เขาโบค่อยเห็นเขาเห็นตั้งแต่พี่ปู้พี่ญ้าพี่ตาพี่ยายตายไปแล้วหลายตั่วโคตรคนเขาก็ยากัางกกลัวจังสันเนี่ยไปยัานเฮ็ดยังที่เหยี่บขวามือเมื่อกี้นี้นะ กระดูกนวกระดูกกลวยหงยาต้มกินได้กระดูกคนนี่มันเฮ็ดไม่อย่างไดพวกเฮ็ดอย่างเปลี่ยนในแท่นี่นะหงาพอมายุ่ขนแก่นเนี่ยหงาพอขาเจ้าออกไปสูม้มุนให้ว่าไปไล่ผีให้ไปพะระวิปัสนาข้าเจ้ามันขังมันศักดิ์สิทธิ์ขาเจ้าปลูกบ้านขึ้นมาบ้านหลังหนึ่งปลูกใส่มันเป็นจูมโนนห น, น, น, โนบนหันมันเป็นโหนแดแล้วก็บบนหันมันเป็นตู้ผีเขาเจ้าว่า ขาเจ้าเฮ็ดตู้ผีไปไหว้ฮั่นแล้วผู้ฮั่นก็บมีเงินซื้อบทื่อื่นก็จะบรเงินซื้อเฉพาะตู้ผีนั่นแหละก็เลยพังตู้ผีนั้นออกไปก็เลยปลูกบ้านใส่ปลูกบ้านใส่แล้วเกิด บ, บุมีขวมอยู่ดีจากเธอได้สามปีสี่ปีแล้วเกิดไข้หนาวโยนทันเนี่ยขาจะไปซื้อเอาตะกุดมาจากร้อยเอ็ดซื้ออันนึงสี่ลอยห้าสิบาทไปซื้อเอาพระพุทธรูปน้อยนี่แหละมาจากอำเภอหนองเหลือองนึงแปดสิบาท ซื้อตะกุดก็ซื้อสองอันสองสองตะกุดให้วดเดินไปซื้อผ้าแต่ก็ซื้อสององค์ไปไว้เป็นรักษาคุ้มครองป้องกันอันนั้นบัด น, นี้ก็เลยหลายอาจารย์เนี่ยไปสู้ทอดสู้ถอนให้มันเลิกมันละมันบวชเสาก็เลยมาหาเนี่ยพอเนีย่ยพอก็ไปวัดเนี่อไปอยู่ตะพิทนั้นมีสองเนี่อนึ่กันเนี่พอเนั้นก็นยากไปเนีย่ยพอกระ บ, บอกว่าคันไปสองคนมันบกขัง ไปผู้เดียวมันยังขังมันศักดิ์สิทธิ์ขันท่านหลวงพ่อไปแล้วขุนกระโปไปแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นสมภารเป็นเจ้าวัดข น, นั้นไต้หลวงพ่อไปเป็นลูกน้องเป็นลูกวัดเพิ่นแต่ข้าเจ้ามีความศรัทธาเนี่ยพอเพราะเนี่ยพ่อเป็นพระวิปัสนาไปใหม่ๆข้าเจ้าก็เลยรับเอาหลวงพ่อไปหลวงพ่อนั่งก็เลยโบได้ไปไปได้อยี่ยพ่อก็เลยบอกว่าเอาน้ําใส่กละมังมา ขาเจ้เอาน้ำใส่กระลำมังมาอันนึ่งใหญ่แล้วมาวางไว้ตองน้าข้าเน่ยพอกันเลยถามขเจ้าบ้านเฮานี้เอาอย่างรักษาเขาเจ้าเอื้นพผัดทำผัรทำยูไซนมีตะกุดอันนึ่งซื้อมาจากร้อยเอ็ดแล้วกับพระพุทธรูปซื้อมาจากอำเภอหนองเรือเขาจะเอามาให้ข้าพ่อเบิ้งเน่ยพอก็ันมาเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วก็ถามขาเจ้าเอาส่งน้ําได้บอถามเขาเจ้าว่าเอาส่งได้สังขาจะบอกั พอดีถามขาเจ้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอก็เลยเอาพระลงส่งน้ำเอาจมไว้ในน้ำประมาณจากส้วมองหนึ่งเนี่ยพอให้ว่าลมกันบ้านอย่างพ่อเรียกว่าลมกันทางนี้อาจจะว่าคุยกันก็ได้คือว่าอย่างใดว่าคุยกันที่ว่าอย่างไหนคุยกันทีว่าคุยกันทางบ้านอย่างพ่อเรียกว่าลมกันลมกันคุยกันประมาณจากส้วมองนี่แหละเนี่ยพอก็บอกโอ้ยพระตายแล้วว้าว่ะเขาจะาก็ตกใจเลยเ่เดียว สีน่นาขาเจ้ากระโบขือที่วอกัญพอนยงพอกับปับคงเข้าใจขเจ้าสมมุติว่าโยมมุดน้ําอยู่จากั่วโมงแล้วโบหายใจเป็นยังไงตายครับอันพระนี่ก็คือการนับตะกุดนี่ก็ได้เอาไว้เนี่ยจากโซมงแล้วเนี่ยได้แล้วั่วโมงหนึ่งว่าตายแล้วโบหายใจแล้วเขาจะไปว่าศักดิ์สิทธิ์ขังไหมยังเฮาเองเป็นคนขังเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เฮาเองรักษาพระโพธรลุปรักษาตะกุดอันนี้ว่า แล้วเจ้าข้องเอาไปใส่ก็ต้องเอาติดตัวไปนะเพราะย่ามันเสียย่ามันหายก็บอกขับเจ้าหลายอย่างแล้วก็เลยทนะําน้ํำมนต์ให้กับเจ้าเอากละมังมาสี่ใบเพราะสี่ขนเนี่ยกละมังใหญ่ม า, าเนี่ยพอกระจมน้ำมนต์ศักษานี่แหลอะอีทีปิโซเนี่ยนจะะให้แล้วก็เห็ดปากหนึ่งมานอมมาแนมแล้วก็ข้าเจ้าโบได้ยินเสียงนกเป่าใสขุถังนนะครับเอาน้ารดข้าเจ้าทั้งสี่กะมังนะ่ย กระมังตรงหน้าผู้ใดก็หดผู้หันให้มันเปียกมดเปียกมดทั้งเสื้อทั้งผ้านเนี่ยเปียกเราก็ต้องผัดคันถ้าลดน้ำมนต์น้อยๆเนี่ยมันแสบเดี๋ยวพอบอกอันนั้มันแสบมันอยู่ยากคันถ้าเปียกหมดเดี๋วก็มันคิดสบายใจเดแต่พอบอกคันไปให้ผ้าลดน้ำมนต์ก็เอาใบไม้ใบหญ้าคาฟิตออกไปพ่นออกไปมันเปียกบัดนี้เนี่ยพอทําน้ำมนต์ให้เนียกมันดีวะ่ะลดเส้หัวคุณลงมาเนี่พอเปียกมด เปียกเฉพาะวันท่านเนี่ยพ อ, ะอะได้เปียกหมด่นเหินนั่นแหะหอน้าซี่กระมังนั่นเปียกหมด่นเหินบัดนี้อนี่ยพอก็เลยว่าถ่ายเสื้อท่ายผ้าแต่แล้วถู ก, ถ ก, ถกบ้านเหือนอุนีวะให้มันสะอาดวะไงเมียงมุมเมงมีอยู่ําบ้านนําเหือนเนี่ยทําออกให้มันมดข้าเจ้า ก, กับเฮ็ดคือยังอย่างพวานนะั่นแหะเฮ็กกับทํำนี่อันเดียวกันวะนนทําเฮ็อย่างอย่าง พ, วา น, นะางงพวาน่ะทํำยังอย่างพวานข้เจ้าก็เซ็กก็ถูล้างหมดแล้วก็ เข้าเจ้างเอาหลงพ่อไปเบิ่งบนกระดูกกระดูกคนกระดูกไม่อย่างหัไตจทุนขาเจ้าหัานพรไปสูดหลายเทือแล้วสูดทอดเอากระดูกนั่นออกมันมันบออ่อขันคนบ่เอานีเนี่โยมมันบ่ออกดอกว่าขันถ้าคนบ่เอานีวะขันคนเอานีแล้วออกโลดตัวจะไปย้านมาให้ยั้งวะเนี่ยพราะว่ า, า, วาหุดออกมาเนี่ยพอก็เอาขี้หินใส่เอาสายใส่พราะเขาเจ้ า, าให้เห็ดสูดยัดนั่นก็บไม่มีเลี้ยงอย่างยัดโน ย, ยัด น, นางไปเส้นเนาะ เรื่องพระปฏิโมกขันนั้นเนี่ยพ่อกระว่าให้ฟังแล้วก็แล้วไปแล้วก็ปัดในบริเวณบ้านมูลนี่คือยังบ้านเขาเจ้ามันต้นไม้มันไกลๆพ่อข้าเจ้าโบาได้เฮ็ดงานอื่นๆไปเพราะว่าหัวติดบ้านมันหกมันยังทําความสะอาดมูลนี่วะให้อากาศมันดีวะขาเจ้าก็ทําเฮ็ดอย่างอาย่างพ่อวานเลยหายทุกวันนี่เนี่ยพ่อไปขนแกนขาเจ้ามาส่งปิ่นโตให้ อันนี้แหละทาให้ใจใจเข้มแข็งถ้าหากใจใจเข้มแข็งเราพี่กายานเทวดากายานอย่พ่อจึงบกกลัวพี่บกกลัวเทวดาตั้งแต่มื้อนั่นมาย่าพอหูมาแล้วอย่พ่อบกกลัวเรื่องเครื่องรางของขังปุกเสพได้กะเราพ่อบกกลัวอย่างทั้งหมดเลยเพราะว่าหลวงพอรู้จริงของจริงมันเป็นอย่างสัน้นพอพระพระเจ้าเองกส็สอนจังสัน้นขเจ้าบาว่าเครื่องขังศักศ์สิทธ์ อันใดเป็นหนังสางวาวปืนยิงโบออกมีดผ้าฝันโบออเข้าเนี่ยขาจวาวาคันทธิเฮียนของขังแล้วอันนั้นมันเข้าใจผิดเขาฟังมาผิดคนฟังมาผิดมาปฏิบัติก็ผิดคนฟังมาผิดมาสอนผู้อื่นผู้ฟังนั้นฟังผิดไปปฏิบัติก็ผิดเมื่อผิดแล้วก็ได้รับทุกภพทันทีคนฟังมาถูกต้องปฏิบัติถูกต้องผลเขได้รับความสุข บัดนี้เฮาแวาวขมถูกต้องคนที่ฟังก็ฟังถูกต้องนําไปปฏิบัติผลออกมาก็โบทุกเพื่อนว่าเข้าผิดเข้าเทียงกันเข้าฆ่าเข้าตีกันอยากเข้าไปเพื่นว่าอย่างสัน้นมีทาฟันกันอยู่หันเข้าฟันกันทีเข้าไปเฮ็ดยังเพื่อนเอินอันทาพาลเนียบัดนี้คนเดียวนี้สอนกันมีพระ น, น้อยแขนคอแล้วเข้าไปโลดพระปู่ขังอุตศักศ์สิทธิ์ได้พระ อ, อย่างสั้นทาสอย่างซี พระลุนนั้นพระลุง น, นี้อาจารย์ดังๆเข้าไปได้เอย่าพอโเห็นเหลือจักคนอมีแต่ตายกันลูกเดียวเป็นอย่างไรเฮาปืนยิงกระโยหันน่ะอยออกไปทางพุ้นมันจี้ทึกลูกปืนข้าเจ้าเพิ่นวานอย่างท่นาพพนพระโพธิเจ้าเฮาเพิ่นออกไปอมันไม่มีเหลือดังนั้นเฮาจีเฮตุจิ้ธรรมจีพูจีคิดอะไรก็ตามสร้างนะ่ะต้องใส่สติปัญญาให้มันรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระโพธิเจ้าวานั้น เขาปืนยิงกันแล้วเป็นเหตุแล้วทางคุณนะอย่ากออกไปทางคุณบันเดียวคนมาซุ่มมาซอดอยู่หันลัดหญิงเขาอีกเติมเทหนึ่งกระไดเป็นวายอย่าง น, น, นั้นบัดนี้เขาฆ่าเข า, ขาตีกันเขาลี่นเบี้ยลี่ยนพัยกันจินเล่าเมาสุรากันอย่าเข้าไปวงการอันนั้นนะ่ะมันจิตมีเรื่องแล่เพิ่มวายอย่างนั้นเหาโบเืีอจิว่าโบเืีอกับโบเมทพอเ ห, อบหาบุงโหจักเกาะคูบาอาจารย์เพื่อกั บ, บาวายจังซีเพิ่มวาปุก หรือว่าคนเพันว่าแสดงหูเนี่าพอกระโ bump จากเรื่องเพลงเนี่อยอนี่ยพ่อเคยได้เหตุนำเพลินแม้ตลอดบวกเข้ามาแล้วเป็นเจ้าหูหนุ่มเยี่ยพอเอาของผ้าออืเอาของผ้าสั่งวิทาบุ ก, กบปะญญาปะปะปะมัจจุปะที่มาสั่งอังคูเนี่ยนาวกระนบอย่างนั้นเนี่ยผ้าโบต้องปิดหนาวก็สั่นอยูย่อันนั้นก็แสดงว่าฟังมาผิดครูบาอาจารย์สอนมาผิดลูกศิษย์ก็ต้องทําตามผิดอีกเต็มแล้วเี่ย เพราะว่าเอาคองผ้าไหมถึงเอามานุ่งม้ห่มัวเองถะไปไปปลูกผ้าบ่เนี่ยจมสุดแล้วก็ต้องตบปุกปลุกสามเกลือปลุกผ้ามาจิตตื่นบอกปลุกคนนี่นะมันยังจิตตื่นได้อย่างที่อย่าพอวานี่ปลุกจิตปลุกใจอย่าไปให้จังสันนอนหลับทับสิตเหมืนบอแมนฟังให้มันเป็นให้เข้าใจอันปลุกกระตุดบนยันมาบอตื่นเนาะปลุกรอดปลุกเนี่ะบอตื่นคันปลุกคนเนี่ยตื่นเลยบ่โอ้ กูนี่เคยไหว้ผีแม้จิตใจกูต่ำขนาดนีนะ้เขาก็เลิกได้โอ้เขากินเหล้าเล่นการพ น, นันมาเขาทําการที่บ่ดีนะเพิรนบอกว่าโบเข้าไปก็บโบเข้าไปมันก็ บ, บ่มีพิษบ่มีไผ่มีบบอย่งเขาเอาปืนยิงกันอยู่ทางพุรนนะเพิรนบอกว่าอย่าออกไปเด้เพิร์นขยังว่ากันแล้วก็บโบทุกลูกปืนเพิร์นวัดอะเสบนาจะพาลานางเพิรนวัด บัณฑิตานันจะเชวันนาปูซาจะปูสานิญาหนังเอตมัมตมังคัลมุตตัมมังเปิลวานยังสันอันบาลีมันนะอาเสวันนาจะพาลาหนังในเปิลมาดูนําคนผานพบคนผานมันต้องเป็นผานเปิลวานกันแต่คนผานในที่นี้เนี่ยพอบ่ได้ว่าคนผานภายนอกเนี่ยพอว่าคนผานภายในอันคนผานภายนอกกินเหล้าเล่นการพา น, นันนะเขาบอไปนํำข้าเจ้านักก็แล้ว อันคุณพานภายในนีิติมันสําคัญโตจิตใจมันนึกมันคิดนิติมันอยากไปนิติโตมันอยากไปนั่นแหละเพราะเอื้อคุณพานก้อนที่มันอยากไปนั่นมันเป็นอย่างไดมันเป็นกีเลสมันอยากไปอวดออกหน้าออกตาเพราะเอื้อคุณพานเป็นว่าอเสวนาจะพาลานังอยู่กับคุณพานอันนั้นคนพานคือโทสะโมหะโลภะนี่คุณพานภายในยากเข้าไปใกล้มันเขาออกจากมันให้มันได้เป็นว่าอย่างนั้น บัด น, นี้อยู่กับบัณฑิตบัดเนี่ยบัณฑิตตานในจากเสวนาปูซาจากควรเคารพนับถือผู้เป็นบัณฑิตผู้เป็นนักตาเป็นเขาไปยุ่งําเพิภนได้บอกการงานมันมีการทํามาหากินอาชีพเลี้ยงชีวิตแต่ละคนละคนย่างดีกับประสบเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าจังสันเห็นน้อยๆเพิ่นว้าให้ฟังแล้วก็จดจําเอ า, าไว้อันบัณฑิตอยู่ในโตเนี่ยบริจาคเบาจากเถื่ออันโตสติ โตปัญญาโตสมาธิโ ต, โตเหตุแจ้งรู้จริงนี่บัาว่าจะเถือะคันว่าบัณฑิตกะไปวา่าผู้ ศ, ศ, ศ, ศึกษาเล่าเหลียนพัดไตปิดดกหรือบวชหึงหึงพูดเพิ่ศศอนบัณฑิตยังสั้นแต่ญาพอว่านี่เอาบัณฑิตในตัวเองในในตัวเองเนี่ยรู้จักมันนึกมันคิดเพิ่นเอินว่าบัณฑิตบัณฑิตกะเปรนักปราชญ์แล้วนักปราชญ์ ก, ก็เปรพุทธตลาดแล้วคนบทตลาดจีเห็นบอก จิตใจตัวนึกตัวคิดจ้ะมันก็ต้องเป็นคนสลาดจึงจะรู้จึงจะเห็นดังนั้นมาเจริญวิปัสนาเนีน่จเจริญเพื่อข่มสลัดโบไม่เจริญพวกข่ม ง, งูเพิ่นว่าให้ฟังแล้ว อ, อกความจริงมันเป็นอย่างตันเราก็ต้องเข้าใจทันทีดังนั้นข่มตายในจึงบยกเวีนพอผู้อื่นก็ตายพ่อเราก็ต้องตายคือกันแม่ผู้อื่นตายแม่เราก็ต้องตายคือกันเมียผู้อื่นกตายเมียเราก็ต้องตายคือกันผัวผู้อื่นกตาย พ่อเราก็ต้องตายคือกันลูกผู้อื่นก็ตายลูกเราก็ต้องตายคือกันแม้ที่สุดตัวเองก็ยังตายอยู่แล้วที่เป็นคิดกลัวมเอย่างของอย่างสัน้นเมื่อรู้จักของจริงแล้วก็รู้จักอย่างสัน้นอันนี้คนมันพอเป็นอย่างจิตใจมันต่ําเพราะบัมีคนวานอย่างให้เขาฟังจึงว่าการปุกพระน้อยก็ตามสร้างปลุกเลียนก็ตามโบตื้นดอกโบลุกแท้แท้อันปุกคนนี่ตื้นในแท้ย่างอยาพอวานเนี่ยผู้ได้มาฟังเนี่ยเอาไปพิจารณาตื่นโหลด ลุกลดบ่เดียวอ้อกูเหตุจงทันมันผิดเด้มาดูกงัวดูกข่อยกูบกเคยกลัวจากเธอดุกเป็ดดุกหมูดูกไก่กูมาต้มจริงแม้กระดูกคนให้เดมกูกลัวกระดูกคนกระขึงกักระดูกหัวดูกขวอยดูกหมูดูกเป็ดดูกไก่คือกันมันเป็นกระดูกคือกันเนี่ยสัตว์ทุกประเภทมันเป็นอย่างตันเฮาพิจารณาตามความจริงแล้วบกลัวอย่างพอเลยโบกลัวกลัวตั้งแต่ว่าคนเจ้าคอนมาตีเอญยานนะทันที่เจ็บแท้ๆอันนี้ นี่แหละพูดว่าเอิ้นบัณฑิตบัณฑิตเพูนเอื้นหนักปราดอันบัณฑิตไปเรียนปริญาตรีปริญาโทนั่นโอ้อันนั้นบัณฑิตกลมรู่ทัภายนอกเอแล้วเนีพ่อเห็นบางคนนะบวชมานานๆปลุกพระปลุกเรียนให้ให้ว่าเป็นพกอุมรุมไปพุ่นระไปทางใดก็ได้ครั้งหนึง่งเนี่พ่อไปผูกโคงเนี่ยไปบ้านหมู่เพคนอาจารย์เขียนไปอยู่นี่มู่ อาจารย์บุญธรรมมุ ม, มหาบุทองอยู่เนี่ยพอขึ้นไปครั้งแรกที่สุดคนคนหนึ่งคนเ อ, อาพระแกงคอเนี่ะเขาจะไปส่งขามเวียดนามมาสนะมาบันนี้เขาจะไปห้อยตีนตกขั้นไปอุจจลาหรือไปอย่างไ ป, อ า, อ, าาไป อ, าอาบน้ำเนี่ยพอไปอาบน้ำเนี่ยอาบน้ําเนี๋ยต้องไปไปไท่ายเป็นอย่างคนบันนี้เอาพระไปเอาเครื่องเราไปห้อยงาไมไว้เวลาจ <ilo> ี้ท้ายมันออกเอาออกตะกอนเครื่องนั้นนะ่ะมันจี้บกขังบันนี้ออกมาแล้วลืมที่บนเนี่ย ลืมแล้วกระป๋อแล้วไปก็เลยมังไก่เนี้ ย, บ, บ, ย, ยบ้านข้าเจ้าไก่หลายเนี่ยพ่อไปที่หลังเนี่ยพ่อกระบุหูจากว่าเราไปไปแล้วเนีพ่อเป็นนอนบ้านหลังบ้านนี้ตื่นเศ้ามานันยเฉพาะมาตื่นเศ้าเฉพานพุนกมาแลนมาเนี่ยพ่อออกก่อน <c oughs> แลนมาเนี่ยพ่อกระท่วงไว้เพราะเนี่ยพ่อมาผู้เดียวอลงมาคุณที่ไปไสว่าที่ไปพุณนเอโบต้องเร่งต้องแลนไปค่อยๆไปดำเนิการนี่ละ่ะคุยกันไป มันยังโเมื่อยแต่ผมฟาวฟาวไปยังมันผมลืมของไว้คุณลืมของมันก็อยู่หันแหละถ้ามันยังกัยังอยู่หันถ้ามันโบยังคนเอาไปแล้วคุณวะไปพร้อมกันนี่แหละดีแล้วก็บอยอยากอยู่แล้วก็เต็อย่างของท่วงไว้นี่คือเบรกรถคือสมอเรือหรือคือตาซังตาซังนี่คำมันหนักทางนึงแล้วเอาหมกตุ้มท่วงไว้มันก็บหนักไปเรือนี่มันวิ่งเร็วๆเฮาเอาสมอเท่งไว้มันก็บวไปไว ลดก็คือการเบกใบขาจาวันเนีย่ยพ่อก็พยายามพูดกับเรามาเราก็ทนมามาหอด ท, ทีเอิ้นตีนตกคือตีนภูนั่นนะมันมีน้ำซับบนนั้นเราก็เข้าไปเอาเข้าไปเอาแล้วก็พกไ่ทอนีพิระพกผ้พกตะกุดให้ว่าแค่หมูดูกอย่างขจเจกเอาไปแขนคอท่านะเพราะว่าขาจ้อไปแล้วท่านมากระล้มขจ้ามาอย่างบาวามีอย่างนีพ่อพก็กระวัง เพราะว่าบางทีข้าเจ้าเกิดงุกดีขึ้นตีอย่าพ่อก็ได้พออยู่ในป่ามาฮอดตลาดแเราจะพ่อกับถามเอาคุณของคุณนั้นมันดีว่าดีครับวันเราว่าในตลาดเราคิดว่าจีบว่าเป็นอย่างไรอย่างพ่อก็เลยว่าให้เระมันโบเมนอย่างซันคุณโบเม่นมันรักษาคุณได้นั่นคุณรักษามันได้คืนนี้คุณนอนโหลาเป็นโบครับครับวันนั้นคุณเป็นทุกข์เป็นบพระว่าทุกข์ครับคันท่าว่ามันรักษาคุณมันกล่า น้องน้องยาป่าพี่ไปไหมพี่รักษาน้องอ่ะมันก็เอื้อนยังสั่นสนุนอันนี้คุณรักษามันแทบจะตายคืนนี้นอนบุหลับอีกตื้นนะคุณทุกเงื่อนของอันนี้แหละวาให้เราอันคุณไปส่งคามเวียดนามคุณบ่ทุกตายนะเพราะคุณมีสติมีปัญญาคุณเอาตัวรอดไปยอดดีถ้าหากคุณเสื้อของสิ่งนี้นะเที่ยวหน้าในบวชไหวได้คุณให้คุณใช้สติปัญญาจริงๆคุณรักษามัน แม้มันเอาห้อยไว้หันขื่นนิ่มก็อยู่ผู้เดียวมันอยู่หันนะมันพวกมีครู่บนมีมู่มียัางมันนอนอยู่ผู้เดียวมันต่ำคณไปฮอดบ้านนั้นน่ะนอนกับบหลับคิดถึงมันอยู่ที่คุณทุกแม้เมื่อเสาร์นี่ขันบัท้อคนอาตมาท่วงคุณแล่นมาเนี่ยเป็นสลรบาดลมตายพรของอันนี้แหละว่าให้เราคุณรักษามันเพื่อประโยชน์อันเทวะเนี่ยพอบัห้ามรักษาก็ดีเป็นกำลังใจเพราะคนจิตใจต่ํามันต้องเป็นอย่างสั่น คนจิตใจต่ำให้เขาเพึ่งของจังซันแหละจังว่าคนโง่กับคนสลาดจึงบบกือกันคนโ ง, โง่โง่เขาเรียกคนเอื้นจิตใจต่ำคนสลัดเขาเอื้นจิตใจสูงคนวาจังเปนดังนั้นพวกเขามาเจริญนิพพานาก็ตามมาทำความรู้สึกทำให้จิตใจเข้มแข็งให้มีความสลัดในตัวมีปัญญาสามารถมองเห็นของจริงได้คนวาจังเั็น ของจริงมันต้องเป็นจริงของบ้าจริงมันจะจริงได้อย่างไรที่เงาพอได้ประสบมาหลายครั้งพีตลุบยู่ผ่านนกเขารถทุกคันเงาพ่อมาอยู่ขนแกนกายไปจังวันที่ไปจังวันเลยไปหอนห้างก็กต้องเอาปีงไก่เอาหมูไปให้พีผ่านนกเขาพีตาลุบนั่กินจอดรถแล้วก็แอดรถขับเจ้าเออหน่อยแอดรถมาค น, นที่แบรนไปเป็ น, ป น, นยังเมนบสอสโซเฟอร์ติอ แล้วก็แล่นไปเอาเป้ยงไก่ไปวันฮั้นแล้วก็เย็นเล้าเตจอกหัน้นรถสายขอนแกน่นรถสายกรุงเทพไปมืองเลยอ่ะโอ้เป็นอย่งนี้นอคนเนี่ยแม้เรียนขับเครื่องยนต์ปืดปืดไปควมลูกขาเจ้าคงจะได้อย่างน้อยเขาต้องมสองมสามบางคนบางคนอาจจะจับจบหมหกก็ได้หลวงพ่อเขียนห น, นังสือบโเป็นอ่านหนังสือโเป็นเต้นหลวงพ่อสามารถรู้จัก ดังนั้นคุณค่าการเจริญปัสนาจริงๆหูจักเห็นเทห์เห็นผี่คนเห็นผี่เพลินเอื้นตาทิพบวเม็นตาทิพอื่นไกลดอกตาปัญญาอันพวกเขามาที่นี่น่ะมีปัญญาสามารถมองเห็นเพลินตาทิพหูทิพบ่นเนี่ยกระบ่กแม่นหูทิพมองไปไกลๆเพลินบวเมีนอันหูทิพคือฟังเพลินเว้ามีเหตุมีผลเอาไปพิจารณาเบิ้งลู่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเพ่ลินหูทิพ หูข้างเดียวฝังบทสนับต้องมีสองข้างตาต า, ตาเดียวก็คือกันเบิง้งเบื้องเดียวกับโบสถนัดขันว่าบสถนัดนี่ก็เป็นโบกักบ้านเนี่ยพอเบื้งบบกักอาจารย์เป็นว่าบสถ์นัดอาจารย์บ้านเนี่ยพอหูเดียวกับฝังบสถนัดคนจึงมีหูมีตาดอกไม้อามาบูซาพระพุทธรูปนี่ทูบอามาจุดปูซาพระพุทธรูปนี่เทียนมือสวยกระไต้เนีย่ยพอเคยเห็นแล้ว คนไปเอาบุญใต้เทียนมือสวยใต้เพื่อยั้งโภคุณจักอันนั้นแสดงไว้เห็ุตามเข้ามาซื้ อ, อเจ้าของโบได้ใส้สติปัญญาเพราะปัญญาของวิปัสนาโบเกิดเทียนซองเล่มจุดลงไปหมายถึงตาสองตานี้มองให้เห็นโบจุดก็ได้เทียนนะมือสวยอย่างเสียมันแจ้งนะฮะเขาใจยังสั้นถ้าหากอยู่บนมือกิดควรจุดใต้ไฟไว้เดินไปเดินมาสบายเป็นวา เพี้ยนสองเล่นกระใหม่ถึงตาสองตาหูสหูนี้ฟังให้เป็นเพลินวายอย่างสั้นแต่เฮาโบกเข้าใจก็เลยไปเฮ็ดตามพอตามแม่ตามปู้ตามยาปู้ตามยายายเฮ็ดมาที่ร้ายซั่วนคนแล้วเมื่อใดเฮาจิมาปวดเปื้องเมื่อใดเฮายจิมาง่ายของที่คว่ำนี้ขึ้นมาเมื่อใดเฮจิมาไม่เกี่ยวนี้ออกจากแหวนอันนี้ น, น, น็อตอันนี้ขันแน่นเข้าทุกมือ ปิดหน้าไว้ทุกมือบ่มีผู้ใดมาเปิดจากเธอของที่ขวมหน้าไว้แล้วเฮาเจีเฮ็ดยังไหนอยู่พอปานนี้ดังนั้นการถือพุท ธ, ธาศาสนาในต้องพิจารณาญาไปเสื้อขุมที่คนที่บอกมีเหตุมีคนว่าแม้จิตยกพระไตรปิฎกมางกรตามสางอนี่ยพอบัดนี้แต่ก้อนเ่ยพอเสือ้อพ้าพระเจ้าสอนในเรื่องให้เฮามีปัญญาแก้ทุกเท่านั้นเองให้เฮามีปัญญาแก้ทุกได้จริงๆ ถ้าหากเขาบูชาดอกไม้รับสินอยู่ทุกเศ้าทุกยิงก็ตามสร้างไว้พาทุกเศ้าทุกยิงอยู่ก็ตามถ้าหากเขายังโง่อยู่ยังทุกอยู่โบเมนแน่นั่นโบเมนแท้ๆที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระวักกะลิกเหล่านี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราจะจับสายจีบรอยู่ก็ไม่เห็นเราเลยเพราะไม่เห็นธรรมใจเป็นวะยังห่างไกลจากคาสอนของพระพุทธเจ้ามากที่สุดเด้ ถ้าหากเขาอยากแก้ทุกข์ในบรุรีบุญปัญญาลู่ถ้าหากเขาบวชเข้าวัดก็ตามสร้างบวชรับสินก็ตามแต่เขารู้จักแก้ปัญหาตัวเองได้เพิ่นว่าเขาไก้พระพุทธศาสนาได้เพิ่นว่าเขาไก้พระพุทธเจ้าได้ดังนั้นเพิ่นจังมีไว้กฎหมายก็มีไว้วินัยก็มีไว้กันคนบมีธรรมะกันคนโงโงโงนนที่เทียนส่อเล่มหมายถึงตาสองตา เทียนสองเล่มหมาถึงหูสองหูนี้ฟฝังให้เป็ดทูบสามดอกหมาถึงกายวาจาและใจนี้ถ้ากายทำโบดีคำปากในี่พูดโบดีใจคิดโบดีมันเหม็นผุนวายอย่างตันถ้ากายได้ทำดีมันเนี่ยคำปากคำวาล น, นี่พูดดีๆใจคิดเตดีๆมันหอมผนวาเอาทูบมาจุดสามเล่มเนี่ยให้เฮาพิจนาหาของจริง ถ้าหากเขาวอกพิจารณาหาของจีนก็จี้ทําผิดไปให้ลูกทําผิดไปให้หลานเป็นโลกเลือแหลงโยนซี่แหละเ <c oughs> พราะว่าทําดีไปให้ลูกทําทุกไว้ให้หลานลูกหลานเขาจี้เห็นจี้รู้จี้เอาไปปฏิบัติแล้วขาเจ้าก้าจี้เขาใจหลุดพอแม่ปู่ยาตาโทวดวาจัางซี่แจเบาเสื้อวาให้เลิกได้อันนั้นก็นแนเฮ็ดไปหั่นละเฮ็ดเพื่อคนบูมูจักลองเบื้องแม่ยัง ญาติโยมมาเมื่อนี้กันเลลูกหลานมาแล้วก็พาเขาจุดเทียนหมายถึงตาสองตาเน้อลูกหลานหมายถึงหูสองหูเนื้อเทียนสองเล่มบอกเขาจังซีแล้วเขาหูจักหลดุด ท, ทูบสามดอกนี่จุดลงไปแล้วหมายถึงทำดีพูดดีคิดดนะีบอกเขาจังซีเขาหูจักหลกเขาจำได้เพราะว่าสัญญาความหมายรู้จำได้อันนี้จำเอาเพราะว่ารู้จักรู้จำอันรู้แจ้งรู้จีนเะ เกิดมาจากธรรมชาติกฎของธรรมชาติกฎเอิ้นสัญญาควมหมายรู้จำได้เส้นเ่านั่งอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามเขาบอได้ว่าเรื่องตาจากเธอถามตามีบอม่อมีมันเข้าใจหอนเพิ่นว่าสัญญามาจากธรรมชาติเพิ่นว่าจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพองใสจิตใจว่องไวว่าเติ้นเฮาก็ที่เป็นคือกันนั้นขั้นท่าของเหตุแต่ จิตใจสะอาดอย่างญาติโยมนั่งฟังหลวงพ่ออยู่ดีๆเนี่ยแล้เพื่อนพาส่งฟังลงมาเ น, นจิตใจ ย, ยุ่งซือ่อเนี่ยแต่หาบุกเคยเบิ่ง่าจิตใจเจ้าของเป็นอย่างอันนี้เพื่นว่าเอ้อจิตใจสงบเฮาสงบจังซี่แปลว่าพระพุทธเจ้าหน่อยหอยมาอยู่นําเหาแล้วเนี่ยเฮากำ บ, บุญู้จักพระพุทธเจ้ามาอยู่ําเหาบัด น, นี้เฮาจีไปเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเพื่อนมาไว้กับโตเฮาจีได้บอกมป็นคนละคนกันนะ่ะให้เฮาเข้าใจยังสี่ถ้าหากเฮาถือศาสนากุต้องมีปัญญา พุทธศาสนานี่สอนเรื่องปัญญาเนี่ยพุทธะจึงไปเอาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอะไรเนี่ยภาวนาพุโทโธแบบ น, นี้เอาพระพุทธเจ้ามาไว้หัวใจพระจิมาหะเหาได้ให้ยัง้งพระพุทธเจ้าพุทธโธไปเอาผู้ตื่นพี่เด้โอ้ใจกูกรส ง, งบเนี้อย่างนางฟังโอ้ความส ง, งบเป็นอย่างสิโนพระพุทธเจ้าน้อยๆเกิดขึ้นมาแล้วเด้นี่เขาก็หัวจักว่าพระพุทธเจ้ายืนเหาเส้นแบบ น, นี้จิตใจเขาเห็ุมันนึกมันคิดแบบเ น, นี้ย กจิตใจสว่างแล้วคัมันมือจู่มานจเห็นบ่เห็นจิตเห็ใจเขามันก็ต้องสว่างที่มันยังเห็นน่ะเขามองไปนึกก็เห็นกจิตใจสว่างสนุ้ยจิตใจสะอาดมันเนี่ยมันก็บดสกปรกสนุ้ยจิตใจก็สะอาดกับขึ้เสื้อคือนผ้าเขานี่แล้วถ้ามันสกปรกมันก็บนหน้าจับบนหน้าดูสนุ้ยถ้าซักสะอาดเด่นมกันหน่าจับน้าดูเอามาเสียดเนื้อเสียดตัวเขาก็ได้สนุ้ย ดังนั้นมันมีอยู่ในเหานี้จิตใจสะอาดจิตใ จ, จสว่างจิตใจสงบอันจิตใจบริสุทธิ์นั่นเหามีอันนึงกาแสดงว่าพระพุทธเจ้าหน้อยๆขึ้นมาหาเหาแล้วมีซองอันขึ้นมาการแสดงพระพุทธเจ้าใหญ่ขึ้นมาแล้วมีสามสี่ย่างห้าย่างเข้ามาครบย่างพระพุทธเจ้าก็แปลว่าเหาได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าแล้วพ้นวายอย่างสั้นแล้วเหาบอกเข้าใจจากเธอเรื่องอย่างสี่ไปเข้าใจแต่เรื่องอื่นๆพ้นเนี่ยไปไหว้ผีพุ่น ไปดูลึกดูยามพุ่นอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ส่วนของดีมีในตัวเห่านี่บวกขึจากเถื่อดังนั้นเพชรมียุในตัวเห่านี่แล้วแกเห่าห้ามบุญจักว่าเอาเพชรไปใส่สมมุติเอาอันเนี้ยว่ามีเพชรขาจะเอลยมีแแหล่มอมเพชรอยู่คนมีปัญญาจึงไปดูว่าแแล่มบนนี้มีเพชรอะไรเอาแล่มออกมาแล้วเจรินเพราะว่าอย่างหู้อย่างพอบุญห้ากเรื่ออย่างสิ เอาไปให้จังไดก่อนนะเนีไปให้จังไดไพทัทธลุงนึกไปจังไดปกหมดถ้าลุงเอาแแหลออกมาแล้วเอาเพชรออกมาขายได้ราคาโลดเฮาก็คือกันถ้าเฮาพิจารณาถึงจิตถึงใจเขาแล้วเฮากระจายบทุกความทุกข์นั่นจริงมันโบมีพระพุทธเจ้าสอนแล้วมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นนถิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่เถิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปเป็นว่ามันตั้งอยู่เพราะจังไดเพราะเฮาบูหุจัก ข้อหาบุหัวจักมันดับไปยย่างเขาโกดกันเนี่ยเขาเอินอารมณ์บ่ดีบ่หรือว่าจิตใจคุ้นมัวบ่เนี่เขาบุหัวจักพอจิตใจเขาบนบมสะอาดเดชจิตใจมันมืดตื้บอยู่คนเดชจิตใจมันสกปรกอยู่นเด้จึงบ่เห็นจิตบ่เห็นใจตัวเองใจโกดขึ้นมาเาขากระโวเห็นเจนถ้ามันพอแหงพี่เลยยังรู้ว่าโอ้ยอารมณ์บ่ดีใครเนี่ยขันหู้จักว่าอารมณ์บ่ดีก็เทิ้งสลายมันก็แล้วขันเสือมันเว้าเป็นคนจังวะ การพูดการเวา้าหน่อร้อยคำพันคำมื่นคำแสนคำล้านคำก็ตามสู้การกระทําให้มันรู้สึกตัวนี่ครั้งเดียวโบได้คนวัคนคำว่าครั้งเดียวโบได้นี่เขาเข้าใจครั้งเดียวไม่ได้ว่าท่านขำว่าโบได้นี่เข้าใจบ่เ ข, บข้าใจบ่โบได้เข้าใจอ่ครั้งเดียวโบได้มันว่มีประโยชน์อ้นี้มันบป็นหจักใจเขาดังนั้นเรื่องจิตใจเรื่องจิงว่าเป็นที่บุคคล เห็นได้งายต้องพิจารณาจริงๆแต่มันมันบอกไม่ว่าหูได้เหมือนบอกไม่เห็นได็มันหู้คิดอันนึ่งเด้มันเห็นความคิดอันนึ่งเด็อันหู้คิดไปนั้นโบแมนเห็นคิดอันนั้นมันหูคิดมันเข้าไปในความคิดเพื่อนว่าจยางสั้นอันมันเห็นคิดนี่ความคิดมันหยุดโลดเพื่นว่าจยางสั้นจีว่าสัญญาเขาจะไปรู้อันนั้นแล้วอันสัญญาบอกว่าตกอใกล้เขียนอย่างสั้นหอกไข่เขียนอย่างสั้นตรงงูจรจานไม่อย่างหูอย่าพอโบหัวจักกัน ตอดเด็ดดอดสดาไม่หยังยอยักยอเขียนอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาภายนอกได้นั่นเขาต้องเห็นนั้นอันโตสัญญาอย่างที่หลวงพ่อวานี่บต้องเห็นกันได้รู้จริงๆเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องทุกขังอานิจจังอนัตตาเรื่องสมมุติเรื่องศาสนาเรื่องพุทธศาสนาเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทสะโมหะโลภะเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานเรื่องสินเรื่องเงาหูเถะ เพราะมันมีในเฮาเพื่นสัญญาเข้าไปรู้วสัญญาตัวนั้นเกิดมาจากธรรมชาติเพราะมันมีธรรมชาติสองอย่างธรรมดาธรรมดาก็มีสองอย่างอย่างนั้นที่ว่าของที่ดีๆเาเอามี่อย่างหัวไว้บมีผู้บอกเปิดเาก็โบเห็นแล้วลองมีผู้มาไงหนะ้าขึ้นเนี่ยของอันนี้มีพวเพชรอ ย, อยู่ในเห็นบน่สเห็นรถปรเดียวอย่างอย่างเพราะว่าเนี่ยเห็นลถอันเนี้เข้าใจลถพราคิดเนสจิตใจมันก็นมีทุกคนเนเนี่ย ดังนั้นคนธรรมดานี่แหละอันเป็นพระพุทธเจ้านะ่ะย่าสู้เข้าใจลึกเกินไปแต่ก็บรรลุาห้ามดอกให้คิดไปมากๆกว่าดีคือกันพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนธรรมดานี่เองจึงว่ามีวิต ก, กังวลกับไผ่กับไผนี่กับกับไผ่ท่านมโนบ้านเนี่ยพอดีว่ามีวิตกกังวลกับไผ่ท่านไผ่ิเฮตนกัเรื่องของข้าเจ้าบป็นเรื่องขอ ง, ข เ, เ, ของเขาว้าให้ฟังนกันกนแล้วกันะ่ะทีเอาก็เอาบัวเอาก็แล้ ว, ลวไปละพ่อแม่ยังพอวายังท่น แต่โบมู้จักความจริงแล้วนะอันข่มโกรธโบได้มีอยู่ในเฮานี่เด้อข่มโลภข่มหลงโบได้มีอยู่ในเฮานี่เด้อันมีแท้แท่ละจิตใจสะอาด จ, จิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจว่องไวพ่องแผ้วมีอยู่ทุกขณะทุกเวลาทีเดียวแต่ว่าอันโมหะนี่มาข่มไว้ว้ต่างต่ากันได้โลภะมาคุมไว้โทสะมาคุมไว้มาปกงอม้คล้ายๆคือเฮา ที่เปิดประตูออกมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันอยู่ทางน้าน้าประตูเนี่ยบวให้เขาอ้อมปากประตูได้มันอัดแน่นไรอย่างเสียเจ้าก็ะมือกับเกี่ยวน็อตนั่แหละหันเขาบ่ามีผู้จิมามาเกี่ยวออกไปจากเธื <nas> ่อเขาแน่นอยู่ทันแล้วเกี่ยวน็อตประตูก็คือกันใส่กุญแจไว้บนนี้บ้มีผู้มาไขให้เขาจากเธอเขาบูมู้จักลูกกุญแจได้บนนี้กระมีอไม่ได้เปิดจากเธอได้เปิดประตูออกมาก็มือโยนทันเนี่ยดังนั้นการให้ฐานการรักษาสิน การทำกรรมฐานนั้นดีแล้วแต่มันแก้ทุกโบได้สิ่งใดที่แก้ทุกโบไดเ้เดเพ่นว่าบเม็ของจริงเพ่นว่ะของจริงนั้นต้องแก้ทุกเท่านั้นเพิ่นเอาใจเรื่องของทุกเท่านั้นที่สือ่อคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมดทางหมดนี่ก็รู้จักว่าทางหมดสังก็ได้บ้านหลวงเพราะว่าทางหมึดว่าสันเข้าใจไหมห น, นูเออคันว่าทางหมดนั้นบ้านเนี่ยพอทางนี้อาจจะว่าทางหมดก็ได้บรรจุลงเรื่องแก้ทุกเท่านั้น มีแต่ทุกข์ทานั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ทานั้นตังอยู่มีแต่ทุกข์ทนั้นดับไปเป็นวะเพื่อเอิญอริยสัจสี่ทุกข์สมุทยัยนิโรธมักสี่ข้อดิเป็นว่าทุกข์ต้องกำหนดรู้ันสมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งวะทุกขนะเห็ุยังไงบูมหุจักกันมักเป็นยังไงบูมหุจักกำหนดรู้ทุกข์ประด็บูมหุจักเราแต่ทุกข์วะขมงอกฟันหัก เนื้อหนังแห้งแห้วไปอันนั่งกับแมนน่นมันเป็นธรรมศาสตรมันน่สญญาสนใจทุกขอเขาคิดเนี่ยทุกพอเขาเกินเขาไหวนี่นะเขาโบอเคยเห็นจากเธออย่างเขาพิบตานี่นะรู้สึกบ่ลองพิบตานี่รู้สึกบ่รู้สึกว่ารู้สึกทุกครั้งบ่ไม่ทุกครั้งนานๆยังค่อยรู้ไม่มาคันเขาโบได้กําหนดบังกับโบรู้เป็นบ่แต่มีผู้ถามว่าพิบตารู้สึกไหมรู้จากทันทีเป็นบ่ นั่นแหละเพื่นเอิญว่าสัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหาหักบุญผู้จักสัญญาอันนี้มันพิบตาเหารู้มันเคลื่อนมันไหวอันรู้อันนี้พี่เด้สัญญาเนี่ยพระว่าสัญญาข่มหมายรู้จําได้มันหายใจเข้าหายใจออกรู้พี่เด้จิตใจมันนึกมันคิดมันรู้พี่เด้อันนี้แล้วสัญญาข่มหมายรู้จาได้เพื่อนว่าพอดีมันจี้กุ้งขึ้นมามันเหตุมันรู้พี่เน้พอดีมันจิ้ฮักจีสังมันเห็นมันรู้พี่เน้เพื่นเอิญสัญญาข่มหมายรู้จําได้ โบมีนสัญญาอยู่ภายนอกเน่ยแก้มันก็เป็นภายนอกคือกันเพราะคนมาวา่ายโยติเปลือกนอกทีโบได้ว่าถึงจิตใจแจกเถื่อดังนั้นวันนี้พวกเขามาอบรมกรรมฐานวิปวัสสนาที่วัดสนามนนีย่ยเฉพาะพูดเป็นภาษาเมืองเลยเพราะพูดเป็นภาษากลางอน่ยพาะพูดว่เป็นถ้าตุพุทธธรรมอย่างสี่เล้วยต้องอยาพาะพูดภาษาบ้านหลวงพอ่อถ้าพูดภาษากลางนี่ยเฉพอะคืบบวออกบางคำดังนั้นอันพระพุทธเจ้านั้น ถึงที่สุดแล้วหญยาญย่ยอมมีนะถึงบอนใดเขาหูจักบอสก็ถึงตัวคผมคิดเท่านี้แล้วมันขาดช่วงออกจากกันในเทานี่นะหมดเสพติดผมคิดเ้นทุกประเภทมันขาดออกจากกันในเท า, นาพระพุทธเจ้าพูดสอนจย่างสัน้นถึงที่สุดแล้วหยาญย่อมมีว่าสั้นพญาวาอย่างสั้นนี่พระพเจ้าวายยาพ่ อ, อยังว่าอุปมาให้ฟังเอาเสื้อในร้อนผูกเส้นนี้เสาเนี่ยเส้นหนึง่งผูกเส้นนั้นเสานึงตัดตรงกลางแล้วมันมดื้อบูถึงกัน ทั่วมันคาดเอาจากกันนี่แหละเพิ่นว่ามันเห็นแจ้งมันรู้จริงมันโมทุกปุงแตงเพิ่นว่าอย่างนั้นแม่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันลูกหลานบ้านสองให้ว่าทุกคนละให้ว่าเธอไปมันจะเป็นอย่างนั้นถ้าห้าขาบุเป็นในขณะนี่นี่แหละจวนจะตายนี่แหละต้องแนนอนที่สุดเพิ่นว่าแล้วพอไปเจ้าว่าแล้วหรือว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่ากระบุจกจักละเพิ่นว่า คนใดมีกิเลสตายแล้วต้องเกิดเติมเหมือนกันเพื่อนวะคนใดบ่มีกิเลสตายแล้วบอกเกิดเติมไยเพราะมันถึงกันนั่นแหละมันจีโกตเตืิมมันจีหักจีสังเติมเพื่นวาอย่างนั้น้าตัดให้มันขาดลงไปเลยเห็นไปแล้วมันจีแล้วมันเท่านั้นแหละเพื่นวาจย่างนั้นจึงว่ามันก้วงมันลึกเด้คมว่าพอปัณนี่มันว่าอยู่ผิวๆเด้ถ้าหากพิจารณาถึงความจริงแล้วมันจีเห็นแจ้งรู้จริงในแท่นะเรื่องมูนี้นะเพราะว่าทุกคนมันจีไปประสบเอานี้นะด่วนจำลมหายใจดีนะ โบยกเว้นแท้เนี่ยพอเข้าใจอย่างนั้นดังนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนีมาสอนคน เ, นเป็นนี่แหละโบไม่สอนคนตายแล้วดอกอย่างที่เขาไปสวดคนตายอาภาพไปสวดเอาพิธามเจตหนึ่งก็ไดเขาไปสวดคนเป็นนี่แหละโบได้ไปสวดคนตายคนนี้คนตายนั้นฟังโบเป็นแล้วออืเพลินว่ากุปปาธรมโมอากุปะาธรมโมปริหาณะธรมโมเจตนาพภะอนุลักณะพภะ ปุตตโนโคตะลภูสันนะพญุพลาตอภุพลาตพนวาไปะอะสัจปฏิธรรมจิตเฮตุปเจยโยอลมนาปเจยโยไปเป็นส่แล้วเขาบวกเข้าใจได้คำพูจังสันเนยพอบวกเข้าใจแต่ก่อนฝั่งว่ามาไปส่วนวถ้าคนตายความจรเพิ่นบอกเขาหนี่นะเฮริปสนาพี่นะเพิ่นบอกอะกุปปะธรมโมสันอะกุปปากุปปาธรมโมมันจิเสื่อมเตมเฮตแล้วมันจะไปต่ออันนั้นมเนี่มันจะไปต่อบันเทิงอันอีกเตมเพิ่นว่า มันสานเสื่อมผลเอากุปะทำโม่อะกุปะทำโม่ไม่เสื่อมเลยเพิ่นวาเพิ่นวาจังสันซื้อในนะไปเบิ้งแม่ตัวนึงซื้อมันแปลไว้จังสันนะแต่เขาบอกเข้าใจเด้ว่าไป็นซวกคนตายให้บุญคนตายบัแมนเด้เพิ่นมาว่าให้คนเป็นๆนี่ได้ฟังจึงว่าจำไว้พวกเขามาเจริญวิปัสนาอย่าพอนําเรื่องมาไว้ใฟังเสียกุปะทำโม่เพิ่นวาสานเสื่อมอะกุปะทำโม่นะเพิ่นว่ายโบเสื่อมปารีหานาทำโมอะปาลีฮานาทำโม เจตนาพระโพธอนุลักษณะพระโพธมันยังน้อยอยู่ของเหตุปัสจณานี่ยเป็นหนูอนุรักษณะพระโพธิยาน้อยสิปุถุโสโนสมันเป็นปุถุสโนโคตรภูสไปให้มันข้ามซะให้มันวิตซะในวัฏฏะทุกข์กันเนี่ยถ้าหากผู้ใดไปวิตวัฏฏะทุกข์อันนี้แล้วยู่เหนือทุกข์เป็นว่าสเป็นคนแทากยู่เหนือคนหนึ่งอยู่กับโลกจะยู่เหนือโลกเป็นว่าสิกินก้างกินดุบบวชขาคอ เพิ่นวาจนัจนั้นก็เลยบุญยานบันไนงะบุญยานกระดูกขนบุญยานกระดูกขีให้ว่าบุญยานกระดุกงวกระดุกไยทั้งมื่อเนี่ยเพราะว่ามันคือกันมันเป็นคือกันจว่าเหาโบ้หูจักซื่ อ, อ, อ, อดีเนดะ้กระจุดมณยันเครื่องรางของลั ง, งปุกเสกโอ้ยอยี่ยพอหูจักไปอย่งางตะนิว่าเห็นแจ้งรู้จริงตามคหมเป็นจริงที่พระพรุทธสอนเอาไว้อะไรกันเหามาเจริญนิพพานนี่ยหลายมือแล้วเนี่ยจากตั้งแต่มือเด็กกว่า วันที่สิบสองเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าแล้วเนี่ยว่าให้ฟังให้เข้าใจแล้วนียแต่ว่าบางทีมอาจจะลืมได้เนี่ยถ้าหากมไม่ลืมจกเทือพิจารณาเลิกละขวมซัวขวมโง่นั้นออกไปให้มันหมดเมื่อควมซัวขวมโง่นั้นหมดแล้วมีอยังนั้นก็่มีขวมซัวกับกมีขวมโง่แล้วจะเป็นอย่งนี้ก็เป็นธรรมดานี่แหละเนี่ยคุนว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองถ้าพิจักธรรมดาเลิก ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าเลยนะผิดไปทางไดฮูบุ้ฮู้จักมันจะไปซั่วหรือไปดีบุ้งฮู้จักผีก็อยู่ที่นี่เทวดาก็อยู่ที่นี่ปุถุชนก็นอยู่ที่นี่พระอริยบุคคลก็อยู่ที่นี่ให้ว่าอยู่ําเห่านี่หมายว่าคนคนว่าคนน่นจึงมีความหมายอยู่ลึกอย่าพอถามหลายคนเลยคนนี้ผู้ใดใส่ซื่อเสี่ยงเลียงน้ําให้มาดันถามบุ้ฮู้จักจกคนจีฮู้จักอย่างนี้นของเจ้าขอบุ้งฮู้จักคนอยู่แล้วคนได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในเหานี่เด้ เหมือนนังว่าจยางไรเนี่ยไปใส่ของจกักรโปกมันไปใส่อตะกร้าบนนี่อย่างเอาของไปทิ้งใส่หันที่เก็บอาหารนะว่าอย่างไรถังขยะนี่น่ะยค้ายคือถังขยะนี่เราขนนี่เอาของไปเทใส่ทันเอาคี้นื้อไปทิใส่ของดีบางทีแหวนอยู่ในมือเขาจีบดุจัๆๆๆงกะมีเนียมันเป็นกระซามันเป็นาตะตร้ามันเป็นถังขยะคนชื่อว่าเฮาซอกหาของดีที่ตัวเฮา เมื่อเขาเห็นของดีที่ตัวเขาเนียกมือไหว้ตัวเองได้เพื่นว่าเขารบตัวเองจิ้ว่าเขารบตัวเองไหว้ตัวเองปูษาตัวเองให้มันได้ถ้าห้าเขายังนุกมือไหว้ตัวเองโบได้เขารบตัวเองโบได้กบไหว้ตัวเองโบได้แล้วก็ไปไหว้เตพีเพื่อนวอยู่เขอว่าไหว้เตพีเนี่ยพียืนนําเขานี่เนี่ยเมื่เห็นคนจากเธอเนี่ยมันเห็นเตพีแล้นี่มาเห็นดังนั้นพีจึงอยู่กับผีได้คนกับพียืนนกันโบได้เพื่นว่า คนมันต้ออยู่กับคนนะท่านผีมันต้ อ, อยู่กับผีเทวดามันอยู่กับเทวดาเพื่นวา่ารูปกายนี้มันเป็นโครงอนุเทวาเอาเทวดามาไว้รูปกายอันนี้เพื่นว่าเอาพระดิยาบุคคลมาไว้รูปกายอันนี้เพื่อนว่าย่าเสื้อหลายตำราเนี่ย่าไปทําลายเพิ่อนตำรามีไว้หั่นแหละอน่าพอได้พี่จะมาหลายอย่างแม่ที่สุดอน่าพอวาวให้ฝังมือนีน่งผู้ที่เป็นคารวะญาติโยมไปเจริญวิปัสสนานี่ รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วถ้าบบวบเป็นเพศภมจันทร์แล้วตายลถบ่เกินเจ็ดวันนท่านเพลินวานจาเป็นต้องบวชนะดังนั้นโยมผู้หญิงเกิดจะบวอยากให้ผู้สายไปปฏิบัติธรรมะบวอยากให้ผัวไปปฏิบัติธรรมะย่านผัวไปบวตเพลินวานท่นบัดดี้โยมผู้สายกิดยันบวอยากให้ผู้หญิงไปปฏิบัติยัานผู้หญิงไปบวตเป็นทิกษูนี้อย่าเป็นเดินข่าเข้าใจไปทางท่น อันนี้อนี่ยพอเข้าใจจยางสันคนอื่นจะเข้าใจอย่างไรบุหูจักความจริงแล้วตายพายในเจ็ดวันนี้มัดทิดจันคานพุทธประหัต ส, สุขเสาตายดีมัดผู้หูธรรมะกระตายนี่บุหูธรรมะกระตายนี่คนจนกระตายจะระวังนี้คนรวยกระตายระวังนี้เนี่ยเมื่อเพีจเจนาราโอคนมันบุเข้าใจมันเข้าใจน้อยเกินไปมันบุเข้าใจลึกซึ้งทราบซึ้งตึงใจจริงๆ มันเป็นอะไรที่สุดนี้เอาแหละท้าที่สุดนี้อาจจะมาพอ่อด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หนสถานที่นี้อาต จ, จมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระอรันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตตะกิจใ จ, จของพวกเราให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติตามให้รู้แจ้งเห็นจริงตามพรมเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตัดเอาไว้ว่าสัตว์ทั้งหลาย เราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจ ะ, จะมีอย่างเราตรถาคตนี้เพื่นว่าดังนั้นเขาจงปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้านั้นให้เขารู้แจง้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในตัวเขานี่ขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอันใกลน้นี้จงทุกๆุกคน เธอ